บทภาชณีติกะปาจิตตี127วิหารของสงฆ์ภิกษุสําคัญว่าเป็นของสงฆ์โกรธไม่พอใจฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากต้องอบัตปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุไม่แน่ใจโกรธไม่พอใจฉุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากต้องอบัตปาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุสําคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลโกรธไม่พอใจ ชุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากต้องอบัติปาจิตติทุกกดภิกษุชุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากบริการของภิกษุนั้นต้องอบัติทุกกดภิกษุชุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากออกจากอุปจารวิหารจากโรงฉั้นจากมณดบจากโคนไม้หรือจากที่กลางแจ้งต้องอบัติทุกกดภิกษุชุดลากหรือใช้ให้ฉุดลากบริการของภิกษุนั้นต้องอบัติทุกกดภิกษุชุดลากหรือใช้ให้ฉุดลาก อนุปัสมบันออกจากวิหารจากอุปจารวิหารจากโรงฉันจากมณดบจากโคนไม้หรือจากที่กลางแจ้งต้องอบัตทุกกฎภิกษุชุดลากหรือใช้ชุดลากบริฐานของอนุปัสมบันนั้นต้องอบัตทุกกฎวิหารของส่วนบุคคลภิกษุสําคัญว่าเป็นของสง์ต้องอบัตทุกกฎวิหารของส่วนบุคคลภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎวิหารของส่วนบุคคลภิกษุสําคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลต้องอบัตทุกฎ เพราะเป็นของส่วนบุคคลของผู้อื่นวิหารส่วนบุคคลของตนไม่ต้องอบัต